ตอนโพชงเจ็ดนะก็ช่วงใกล้ๆนี้มีเมธีบุตรก็รู้สึกจะถามพ่อครูเกี่ยวกับเรื่องโพชงเจ็ดเนี่ยสองครั้งแล้วถ้าถามครั้งหนึ่งยังไม่พูดนะตอนนี้ขสะสอถามสองครั้งแล้วครั้งแรกถามไ อ, อ้ตัวปัจสัตย์นะครั้งที่สองนี่ถามธรรมะวิจยะนะเออบางทีครูบาอาจารย์ก็ไม่รู้ มีแต่ว่ายึดหลักพ่อชงเจ็ดนะเพราะครูหลายปีก่อนสิบกว่าปีก่อนก็มีครูบาอาจารย์ทวดองมาที่นี่ก็มาพูดเรื่องพ่อชงเจ็ดนะยึดนะยึดมันไม่มีมันจะไปยึดอะไรพ่อชงเจ็ดนี่คือผลของมักมันคือผลไม่ใช่ไปยึดนะก็คือว่าต้องสร้างให้มันขึ้นให้มันเกิดขึ้นมักคือกระบวนการขัดถูเนี่ยเราขัดบ่อยๆเนี่ยมันก็สะอาดไอ้พ่ชงมันก็แสดงตัว ตอนนี้ที่เราเข้าไปสู่จิตในจิตได้เราลัมไปลัมมาเหมือนคนบ้าเหมือนร้องไห้หวัวรอเนี่ยเราอยู่ในอารมณ์โสดชงทั้งหมดแล้วข้อแรกสติสัมโพธชง ม, มันหมายความว่าอย่างไรมันระลึกรู้รูปนามในโลกุตละธรรมมันเป็นสติซึ่งเกิดจากจิตเป็นสติซึ่งอิสระมากนะไม่อยู่ภายใต้สมมติบัญญัติประเพณีวัฒนธรรม มันเป็นสติซึ่งเกิดจากจิตนะมันระลึกรู้รูปนามในโลกุตละธรรมนั้นในจิตสติเราข้างนอกนี้เรารู้แต่เรื่องข้างนอกเรื่องสมบุติบัญญัติประเพณีวัฒนธรรมอันนี้เป็นโลกียะสติเป็นสติที่อยู่ภายใต้สมบุติบัญญัติประเพณีวัฒนธรรมมันไม่อิสระแต่สติสัมโพชงนั้น่ะ ไม่ใช่ไปยึดสติสินะคุณไม่ปฏิบัติแล้วมันไม่มีหรอกมันคือผลที่เราอยู่ในมัดจิตเห็นจิตบ่อยๆดําเนินไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันเป็นสติซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติของจิตไม่อยู่ภายใต้ภาษาประเพณีวัฒนธรรมอะไรทั้งนั้นเป็นสติสัมโพธชงคําว่าสัมโพธชงมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติแล้วเขาอิสระมากมันเป็นตัวระลึกรู้รู้รูปนาม ของโลกุตละธรรมอันนี้คือตัวสติสัโพชชงให้เราเข้าใจบางคนไม่เข้าใจถามเราให้ขาดสติหรือเปล่าร้องไห้หัวเราะเต้นเหมือนลิงเหมือนเสือไปปินต้นไม้ไม่ชี้ไม่สัมรวมเลยไปปินต้นไม้อะนะไม่มีสติทางโลกเขาจะบอกขาดสติแล้วเห็นไหมเขาไปติดบ่วงสติที่เขาหมายถึงเนี่ยต้องอยู่ภายใต้สมมุติบัญญัติประเพณีวัฒนธรรมก็ไอ้บ่วงความรู้ตรงนี้เนี่ยทําให้เขาเข้าไปในจิตไม่ได้ สติแบบโลกโลกเนี่ยเฮ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวร้องให้เดี๋ยวเอาเอาเอาแค่แสดงท่าไม่สวยนี่ก็กลัวละไอ้สติตัวนี้เนี่ยมันเหมือนมีประโยชน์แต่มันเป็นโทษมหันเลยนี่คือความรู้แบบโลกียะฝึกสติมาเพื่ออะไรเพื่อจะเอาเปรียบคนอื่นใช่ทำงานอย่างมีสมาธิเลยเพื่ออยากได้เยอะๆนั่นๆนั่นหละคือความรู้ผิดเป็นอวิชชานะแต่ทางโลกกลายเป็นเรื่องดี แล้วก็ไปหลงความรู้ตรงนั้นน่ะเอามากล่าวโทษคนอื่นสร้างกรรมใหม่อีกมันเป็นปัจจัตตังนะมันรู้ได้เฉพาะตนถ้าเราไม่เข้าไปเองเนี่ยเรายากมากที่จะเข้าใจเรื่องนี้ถึงพรอครูจะอธิบายก็อธิบายไปอย่างนี้แหละส่วนบางคนถ้าไม่เคยเข้าไปก็เข้าใจไม่ไม่เข้าจิตแต่ว่าเขาสัมผัสไม่ได้แต่พวกเราเนี่ยหลายคนเข้าไปสัมผัสได้แล้วพ่อครูก็มาพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งว่ามันคืออะไรเราต้องตอบได้ เกิดมีคนสงสัยอะไรมาเราต้องตอบอย่าง น, น้อยๆอันดับแรกต้องตอบตัวเองได้ก่อนเดี๋ยวเราจะละ่าหลัลลงไม่แน่ใจให้เราเป็นบ้าหรือเปล่าขาดสติหรือเปล่าเราเองสงสัยเอดี๋ยวมันจะร้องอึกอักก็ร้ อ, องขึ้นมาเนี่ยนะมันคนขาดสตินี่ไปทําลายคนอื่นเขาอะไรเนี่ยนะตัวนี้คืออารมณ์ของโพชฌงสติสัมโพชฌงคือะระลึกรู้รูปนามของโลกุตละธรรมอารมณ์ของ โลกุตละก็คือความจริงตามธรรมชาติแต่มันมันมันมันอิสระมากเป็นสติซึ่งอิสระมันไม่ใช่สติแบบโลกลงเลยโจรก็มีสตินะเขาเขาเขาไม่มีสติเขาพ้นไม่สําเร็จนะแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่สัมมาสติมันเป็นมิจฉาสตินะอันนั้นมันคนละเรื่องแต่คําว่าโพชฌงนี่มันมันอีกขั้นหนึ่งแล้วมันเป็นอารมณ์ของ โลกุตละธรรมนะมันคือผลที่เราเจริญมาคมันก็เกิดขึ้นนะไม่ใช่ไปยึดไปยึดนะมันคือผลของมัคแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของโพธิปักขิยธรรมสามสิบเจ็ดประการศูนย์เราตรงนี้ยี่สิบปีมาเนี่ยมันเป็นธรรมะอยู่ในกรอบตรงนี้หมดนะเพียงแต่ว่าพา่อครูถือว่ามัคมีองค์แปดเนี่ยเป็นเป็นตัวหลักเพราะมันอยู่ในอริยสัจส มักมีตัวหลักส่วนอย่างอื่นเนี่ยเป็นผลของมักเป็นตัวประกอบในการขับเคลื่อนมักรวมกันแล้วมีีมอยู่สามสิบเจ็ดประการเนี่ยที่เป็นแก่นทำในการดําเนินของจิตส่วนไอพมวิหารสีบ้างอะไรมันเป็นธรรมะนอกกายเป็นธรรมะซึ่งไปทาํากงคนอื่นแต่ถ้าเรื่องจิตวิญญาณแล้วมีสามสิบเจ็ดนี้แหละเป็นแก่นทำนะทีนี้ไม่ใช่ต้องไปแยกว่าเออ ยึดหลักพุทชงนะยึดหลักอิทธิปาสีอะไรนะเป็นแต่ว่าไอตัวพวกนี้นี่มันแยกไม่ได้เลยมันไปด้วยกันทั้งสามสิบเจ็ดนี่แหละไปด้วยกันแต่แต่มีไอตัวมรคมีองค์แปดนี่เป็นหลักแล้วตัวนี้เป็นเป็นธรรมะประกอบนะเป็นธรรมะประกอบตัวที่สองที่ไม่ชีบุตรก็ถามธรรมวิจยะสำพุทธชงคืออะไรคือมันมันเป็นตัวธรรมวิจยะก็คือวิจัย นะวิจัยทรรมใช้ปัญญาที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าใช้คาว่าพิจารณาทำรรเนี่ยมันจะไปชนกับไ อ, ไ อ, ไอตัวเดีย๋ยวไปคิดว่าคิดพิจารณาไม่ได้เกิดจากสมองเลยจิตมันวิจัยทรรมก็เห็นรูปนามของโลกุตละธรรมเหมือนกันนะนะอันนี้ก็ว่าจิตเขาตัวนี้จะเกิดปัญญาปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ ไอ้ตัวนี้ก็คือไม่ใช่เกิดจากสมองสมองเนี่ยเราเป็นแค่จินตมยปัญญามันเป็นปัญญาเกิดจากความคิดคิดละเอียดหน่อยหนึ่งอ๋ออ๋ออออันนั้นอันนั้นยังใช้สลีลากายอยู่แต่ไอไอไอพ่อชงนี่มันเป็นเรื่องของทิพยากายเป็นเรื่องของจิตทั้งหมดนะธรรมวิจยะเขาจะดำเนินไปเขาก็เหมือนเหมือนเขาใช้ปัญญาของเขาเนี่ยรู้อารมณ์รู้ความเปลี่ยนแปลงของมัน นะรู้อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะถ้าโพชงดํดำเนินไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆมันเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยมันบริบูรณ์แล้วเนี่ยนะนะผลสูงสุดมันก็คือนิพพานทนะุกข้อข้อที่สองเนี่ยคือว่าจิตเขาใช้ปัญญาที่เขาไม่มีอยู่เนี่ยเหมือนวิเคราะห์หลักธรรมต่างๆเห็นตัวกฎปัตไตรักษต่างๆอันนี้คือธรรมะวิจยะสมโพชง ส่วนวิริยะสำโพชง์นี่กับวิริยะข้างนอกเนี่มันไม่เหมือนกันมันเป็นความเพียรของจิตนะซึ่งใฝ่เรียนรู้ทางไปสู่การพ้นทุกข์มันเป็นความเพียรซึ่งไม่ใช่เพียรจากความอยากเลยไม่ได้น่องจากความอยากมันเป็นธรรมชาติของจิตนะมันจะเกิดความเพียรเองโดยไม่ได้เกิดจากความอยาก มันบริสุทธิ์มากนะตัวตัววิริยะเนี่ยวิริยะสมโพธิ์ชง ม, มันเป็นตามธรรมชาติของจิตซึ่งมีอินทรีย์มีปัญญานะเขาก็เกิดความเพียรด้วยเขาเองแล้วเราจะรู้ว่าเราขยันผิดปกตินะยิ่งกว่ากินยาบ้ายาม้าอีกนะช่วงช่วงนี้ช่วงอารมณ์ตรงนี้เนะี่ยมันมันจะมันจะมีความเพียรขึ้นมาแต่มันไม่ได้เกิดจากความอยากในทางโลกนี่เรามีความขยันเพราะเราอยากรวย เราอยากได้เราอยากชนะอันนั้นมันมีอามิ t มันเป็นความเพียรซึ่งมีมีมี ม, มีมีกิเลสมีความอยากแต่วิริยะสมโพชงเนี่ยมันเป็นความเพียรซึ่งเกิดจากธรรมชาติของจิตนะอันนี้คือเคาะตัวตัวที่สามตัวที่สี่ก็คือปัตสัตทิสำโพชง ม, มันเป็นความสงบของจิตซึ่งมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติของมัน ไม่ใช่ความสงบเกิดจากการทำส ม, มะถะกรรมฐานของเราไปกดให้มันสงบอันนั้นที่บอกว่าหลวงพ่อชาบอกว่าเราไปใช้แนวทางอาณาปณสติก็ดีพุทโธรมโมสังโคหรือว่ายุบหนอพองหนอก็ดีนี่เพื่อมาฝึกให้มันสงบเป็นความสงบซึ่งมีแฝงอะไรอยู่ข้างในมันไม่ใช่สงบตามธรรมชาติ แต่ถ้าตัวปัตสัติสัมโพชงตรงนี้เนี่ยมันเป็นความสงบของจิตซึ่งมันวางแล้วจิตที่ปล่อยวางแล้วในความสงบซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติมันแสดงตัวเป็นความสงบอย่างยิ่งโดยไม่ใช่ต้องไปฝึกให้มันสงบมันสงบเองเมื่อจิตมันวางแล้วมันก็สงบวางแล้วมันก็ว่างตั ว, ต, วตัวปัตสัิสัมโพชงเนี่ยมันเป็นความสงบ ซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติของจิตอันนี้ไม่ได้เกิดจากการไปทำให้มันสงบอันนี้คือความสงบจริงๆแล้วปิติสัมโพชงตัวนี้ก็ต้องระวังมันมันเป็นความเหมือนอิ่มอกอิ่มใจที่เอ่อที่เขาได้บำเพ็ญเพียรที่ที่เขาได้ศึกษาธรรม นะโดยที่เขาไม่ได้อะไรตอบแทนเลยแต่ถ้าปิติญดีในทางโลกเราปิติญดีมันอยู่ที่ใจมันเกิดที่ใจแต่พิติสมโพชงนี้มันเกิดที่จิตปิติญดีในทางโลกคือว่าเมื่อเราได้ในสิ่งที่เราอยากได้แล้วเราปิติญดีมันมีอามิตรมันมีอามิตรมันมีบ่วงโซของความอยากอยู่จะปิติสมโพชงเนี่ยเหมือนเราอิ่มบุญนั่นแหละแต่มันก็ไม่ใช่ไปติดบุญนะ เมื่อจิตมันปล่อยวางมันมีปัสสัที่มันสงบสบายแล้วกออ็บางทีเขาได้พิจารณาทำอ๋อเรื่อยๆเนี่ยนะเขาเขาปิติกับสิ่งที่เขาได้สัมผัสความจริงตามธรรมชาติอันนี้โดยมีนิพพานเป็นอารมณ์มีนิพพานเป็นอารมณ์นะปิติสมโพชง ม, มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของจิตซึ่งเข้าไปสู่สภาวะอารมณ์ของโพชง ปิตินี้ไม่มีอามิตรนะไม่ใช่ปิติยินดีนะไม่ใช่ปิติยินดีแบบทางโลกนะไอ้ข้อนี้ก็ก็เราเข้าไปเราจะสัมผัสบางอารมณ์เรารู้สึกปิติเราตอบไม่ถูกขนลุกสู้เลยนะแต่ว่าเราถามว่าทำไมเราก็ไม่รู้มันเป็นอารมณ์ที่จิตมันอิ่มเอิบนะถ้าบอกอิ่มเอิบใจไปอยู่ที่หัวใจอีกภาษาเดี๋ยวมันจะเป็ดบวก มันเป็นความรู้สึกอิ่มเอิบในจิตซึ่งไม่มีอามิตรนะฮเหมือนเรายกน้ำหนักพอเราบอกเอ้ยวางได้แล้วพอเราวางปุ๊ บ, บ, บเห็นไหมเราไม่ได้อะไรเข้ามาเลยนะแค่เราปล่อยวางไอ้ที่มันเป็นภูเขาออกจากหกเนี่ยในอารมณ์ปิติมันเกิดอย่างนั้นเป็นปิติสัมโพชงนะปิติสัมโพชงส่วนในตัวสมาธิสัมโพชงเนี่ยไม่ใช่สมาธิแบบที่เราไปฝึกกดมันไว้ นะไปตั้งมั่นโดยที่ว่ามันไม่ได้ตั้งมั่นด้วยตัวมันเองหรอกแต่เราไปฝึกให้มันตั้งมั่นตัวสมถากรรมฐานไอ้ตัวนั้นไม่ใช่ตัวตั้งมั่นที่แท้จริงนะแต่เมื่อเรายังเข้าสึงนพจชงไม่ได้เราก็ต้องอาศัยตรงนั้นก่อนคือบังคับมันหน่อยหนึ่งไม่ให้มันแสสายมากถ้ามันแสสายมากมันไม่มีสมาธิแล้วมันจะหนุดไปตามอารมณ์อันนั้นคือสงบความตั้งมั่นเกิดจากการทาสมถะ กรรมาฐานแต่ว่าสมาธิสมโพชงตัวนี้เนี่ยมันตั้งมั่นตามธรรมชาติของจิตที่มันมีอินทรีย์มันไม่วอกแวกหมู่มารที่ไหนมาหลอกมันก็ไม่ได้มันเป็นสมาธิสมโพชงคือความตั้งมั่นของจิตซึ่งเกิดขึ้นจากความมีอินทรีย์พะละของจิตซึ่งแก่กล้าแล้ว เห็นไหมเหมือนภาษาจีนนี่เขาขีดสองขีดอย่างนี้เหมือนเหมือนหนวดเนี่ยนะเขาเรียกว่าเหยิน่นเหยิ่นเนี่ยก็คือคนลมพัดลมเพลเหยิ่นนะถ้าเราฝึกคําว่าเหยิ่นเนี่ยให้มันตั้งขึ้นมาตั้งมัน่นแล้วก็มีตัวภูเขาอยู่ข้างๆเหยิ่นซานภาษาจีนการบอกเหยื่นซานคนภูเขานี่รวมกันเรียกคําว่าเซียน ตั้งมั่นดังขุนเขามันก็ตรงกับตัวสมาธิตรงนี้คือเราฝึกจากคนเนี่ยกลายเป็นเสียนนะเริ่มเข้ามาในสายทางของพระริยะและ้วนะนะเริ่มตั้งมั่นแล้วสมาธิตั้งมั่นนะจริงๆแล้วเนี่ยเกิดจากเราฝึกไหมบางทีมันพูด ม, มันลักลั่นกันนะจริงๆแล้วเนี่ยความตั้งมั่นของจิตเนี่ยมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติเหมือนกัน แต่ทุกวันนี้มันไม่ตั้งมั่นเพราะมันถูกกิเลสตัณหาอุปทานตัวรู้ผิดนี่ทําให้มันแสบสายทําให้มันมีความอยากเข้าใจว่าก็ขบวนการที่เราเราฝึกมาเนี่ยเราจเจริญสัมมาทิิปัสสนามาเนี่ยเพื่อมาเหวี่ยงไอ้ตัวพวกนั้นทิ้งและความตั้งมั่นที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติมันก็แสดงตัวถ้าอย่งนั้มันมีอยู่แล้วนะแต่ว่าท่านบอกไม่ต้องไม่ตั้งไม่ต้งตองทําอะไรเลยมันมีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่เกิดนะถ้าไม่จเจริญมั่งเนี่ยผล คือพวดชงมันก็ไม่แสดงตัวนะเขาต้องเข้าใจนะก็มันมีอยู่แล้วล่ะแต่ตอนนี้มันไม่มีมันถูกข้อมงําด้วยไอตัวกิเลสตัณหาอุปทานทําให้เราแสบสายเรามีความอยากไงความมีสมาธิก็หลุดไงเนะี่ยกำลังฝึกๆใครอยากลองก็ได้นะทําสมาธิโอ้ยนิ่งมากเลย้ามาลองกับพ่อครูก็ได้ตีหัวป๊กเดียวเนี่ยสมาธิหลุดไปไหนอใช่ไหม เพราะเพราะความอยากสบายเนี่ยพอมาตีหัวฉันเจ็บฉันไม่สบายเนี่ยหรือว่าไม่อยากเสียเปรียบเนี่ยไอสมาธิหลุดเลยมันไม่ใช่ความตั้งมั่นที่แท้จริงมันไปกดให้มันตั้งมั่นเฉยๆเป็นสมาธิชั่วครู่แต่สมาธิสำโพธชงตรงนี้เนี่ยใครมาเขย่าก็ไม่เคลื่อนเพราะมันตั้งมั่นดังขุนเขานะก็ก็เกิดจากการฝึกส่วนหนึ่ง แต่ผลที่มันเกิดขึ้นนี่มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติที่เราฝึกอะไรก็คือฝึกเพื่อจะเอาความไม่ตั้งมั่นออกไปเอาเครื่องมือในการทาให้มันวุ่นวายนี้ออกไปความเป็นธรรมชาติของจิตเดิมจริงๆมันก็สแสดงตัวนี่คือสมาธิสัมโพชฌงค์ส่วนตัวสุดท้ายตัวอุเบขาสัมโพชฌงค์เนี่ยเขานิ่งเฉยจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวง โดยไม่ต้องกดข่มถ้าอุเบกขาของพรมยิหารเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอุเบกขาตรงนี้เนี่ยยังต้องกดข่มอยู่เพราะเขาด่ามาไม่พอใจแต่มีสติกดไว้เออช่างมันเถอะอภัยให้มันอันนี้เป็นอุเบกขาของพรมของมนุษย์ผู้ประเสริฐยังมีอารมณ์กดข่มอยู่นะ แต่อุเบกขาอันนี้เรียกว่าอริยวิหารโพชฌงเจตเนี่ยเราเข้าไปสู่กระแสอริยวิหารที่อยู่ของพระอริยเจ้าขั้นต่ำสุดคือโสดาปติมัคขึ้นไปโสดาปติมัคโสดาปติผลคู่แรกสกิทาคามีมัคสกิทาคามีผลคู่ที่สองอนาคามีมัคอนาคามีผลคู่ที่สามอรหัตมัคอรหัตผลคู่ที่สี่ สี่คู่แปดบุรุษเป็นสมควรแก่สักการะและบูชานี่คืออริยวิหารถ้าอุเบกขาสำโพชงตรงนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะไอ้ภูเขานี่ยว่าเคลื่อนย้ายไม่ได้อ่ะนะแต่ระเบิดระเบิดมันได้เหมือนกันแต่อุเบกขาสมโพชงเนี่ยใครมาเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ได้เพราะตัวมันไม่มีละมันไม่มีผู้ อยู่นิ่งเฉยแลวมันไม่มีใครทั้งนั้นคำด่าก็ก็ไม่ก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่เขานิ่งเฉยโดยที่ไม่ต้องกดข่มเพราะอะไรก็ไม่ใช่อันนี้เป็นปัญญาสูงสุดเป็นธรรมะยิ่งใหญ่ที่สุดง่ายที่สุดแต่ยากที่สุดง่ายจนไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรเลย แล้วไม่ต้องกดขมด้วยง่ายมากแต่กลายเป็นเรื่องทํำยากมากสําหรับคนซึ่งมีตัวตนอยู่นะอันนี้เป็นอุเบกขาสัมโพชงนะนิ่งเฉยโดยที่ไม่ต้องให้อภัยทานด้วยไงเพราะว่าในความรู้สึกคือเขาไม่ได้ผิดไงไม่ต้องให้อภัยเลยไม่มีคนผิดเห็นไหมง่ายไหมง่ายมากนะอันนี้เป็นเรื่องง่ายง่ายไม่ใช่มากง่าย เป็นง่ายจริงๆง่ายจะไม่ต้องให้อภัยทานอันนี้ก็คืออารมณ์ของโพัวชงนะพอเราปฏิบัติเจริญมรรคแล้วนี่พัวชงก็เกิดขึ้นทีนี้เราก็อยู่ในโพัวชงนะเราเจริญมรรคในขั้นตอนโพัวชงเราดําเนินไปเรื่อยๆเมื่อโพัวชงมันอิ่ตัวแล้วเนี่ยยิ่งโพัวชงมากเท่าไหร่ขบวนการเจริญมรรคยิ่งเข้มแข็งขึ้นนะอินทรีย์พลระต่างๆก็ยิ่งเกิดขึ้น ยิ่งเดินก็ยิ่งเข้มแข็งยิ่งเดินก็ยิ่งเข้มแข็งยิ่งเดินก็ยิ่งเข้มแข็งยิ่งเดินได้เร็วขึ้นได้ตั้งมั่นขึ้นมันจนแยกไม่ออกในสาสิบเดประการนะการเดินทางถือว่าลดการใช้สติเราเนี่ยเขาจะว่าใช้สติดำเนินทางมั้ไม่ใช่เจริญสตินะขั้นตอนเจริญมัน้นี่มันเลยคําว่าเจริญสติหรือฝึกสติเป็นการใช้สติเดินไปฐานทั้งสี่ก็คือสติปฐานสี่ สติปฐานสี่ก็คือกายเวทนาจิตธรรมอันนี้เป็นเป็นธรรมะเบื้องต้นเราใช้ธรรมะตรงนี้เนี่ยเป็นฐานแห่งการดําเนินสติของเราเรียกว่าสติปฐานสี่นะพอพูดเรื่องนี้พ่อครูก็ย้อนอีกนึงเพราะพวกเราต้องเรียบเรียนเรื่องนี้บ่อยๆเราจะเราจะเข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเราจะมั่นใจเราจะมีศรัทธามากขึ้นไม่ลมพัดลมเพใครพูดอะไรเราจะไม่มีวันหลุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพระครูก็เอ่ยถึง อาณาปณะสติสูตรสูตรนี้ดีมากทาไมสิบเก้าปียี่สบปีพาะครูไม่ไปดูมันมันยังไม่ถึงเวลาพวกครูเริ่มจากปฏิบัติปฏิบัติก่อนไม่ใช่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวสแล้วค่อยมาดูปริยัติช่วงนี้มันจะกลับมาดูตัวหนังสือนะมันมาดูตัวหนังสือดูปริยัติบ้างแล้วก็มาดูก็ยิ่งเห็นชัดว่า พู้เจ้าเปล่งวาจาออกมาพระองค์ไม่ได้สอนอะไรผิดเลยแต่พวกเราเนี่ยไปเข้าใจคําสอนนั้นผิดเองอย่างอาณาปณะสติสูตรเนี่ยพระครูมาดูเฮ้ยมันดีมากชัดเจนสายหลวงพ่อชาเราจริงๆก็เอาอาณาปณะสตินี่แหละแต่หลวงพ่อชาพูดเองไลมันเป็นแค่อุบายถ้าไปติดแค่อาณาปณะสติแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นแหะมันไม่ไปไหนนะก็ฟังสูตรนี้ดีๆนะ ที่ท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปณสติเมื่อบุคคลจเจริญทำได้มากแล้วย่อมทำให้สติปัฐานทั้งสี่เนี่ยเขาใช้คำว่าบริบูรณ์บริบูรณ์บริบูรณ์ก็คือว่าต้องครบองนะไม่ใช่ไปเพ่งกายอย่างเดียววิทนาอย่างเดียวไม่ใช่นะ สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์ก็คือบริบูรณ์ทั้งหมดเลยแต่ถ้าวันนี้เข้าไม่ถึงอย่างมากก็กายในกายเวทนาเวทนานะไปอยู่ที่อริยบทกายบ้างเกิดเวทนาบ้างเข้าไปสู่จิตในจิตตอนนี้มาดูจิตบ้างมาดูดูเฉยๆเพราะอยากเห็นจิตในจิตนะแต่ว่ายัางเข้าไปไม่เป็นก็เลยมาดูจิตเขาใช้คำว่าสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์ทีนี้ สติปัฏฐานทั้งสี่ถ้าบุคคลเจริญทำได้มากแล้วย่อมทำให้โพชฌงค์ทั้งเจ็ดบริบูรณ์เห็นไหมโพชฌงค์ทั้งเจ็ดมันคือผลของที่เราคำว่าเจริญมากก็คือเริ่มจากสติปัฏฐานสี่เริ่มจากอานาปนาสติสติปัฏฐานสี่แล้วก็ทำให้โพชฌงค์เจ็ดบริบูรณ์แล้วก็โพชฌงค์ทั้งเจ็ด ถ้าบุคคลเจริญได้มากแล้วผลก็คือทําให้วิชาและก็วิมุตติอันนี้เขาใช้คําว่าสมบูรณ์เพราะมันมีหนึ่งเดียววิมุตติมีหนึ่งเดียวนิพานมีหนึ่งเดียวอันนี้ใช้คําว่าสมบูรณ์แต่จะเป็นสติปัฏฐานสี่แล้วก็โพุทงเจตท่านใช้คําว่าบริบูรณ์คือต้องรวมกายเวทนาจิตทำเป็นหนึ่งเดียว กลายเป็นมหาสติทึ่งมันเกิดขึ้นกับเราทุกอริยบทกายเวทนาจิตธรรมไปด้วยกันหมดเหมือนเราวิ่ง1้อยเมตรแข่งกันเนี่เราไปกำหนดขวาหนอซ้าย ห, หนอนี่มันลม้มกำหนดที่ไหนก็ลม้มมันกำหนดไม่ทันมันต้องสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหมดไม่ต้องกำหนดมิแต่ไหลลื่นไปตามมันเนี่ยให้เราเข้าใจขบวนการตรง น, นี้ทีนี้ การทำให้เกิดอนาปนสติมันมีหลายอุบายวิธีจะเป็นวิธีไหนก็ช่างนะทุกวันนี้เราเห็นไหมอย่างพุทโทเนี่ยก็อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกทำโมสังโคก็เหมือนกันนะอยู่ที่ลมหายใจเป็นแต่ ว, ว่าเขาตั้งคำบริกรรมที่แตกต่างกันแล้วแต่จริตทีนี้เราก็อยู่ลมหายใจเข้าออกตรงนั้นเป็นแค่สัมมะถะกรรมฐานยังใช้สมองกาหนดอยู่ เพื่อให้จิตมันสงบนิ่งเป็นหนึ่งเดียวกับอารมณ์นั้นสูงสุดก็คือฌานสี่คือเอกคตาลมนะสูงสุดก็คือฌานสี่อันนั้นคือสัมรรถนะทำให้จิตสงบนิ่งเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เรากำหนดเป็นอุบายวิธีเมื่อมันนิ่งจริงๆแล้วนี่ถ้าเราอย่าไปกดแล้วปล่อยมันนะมันจะเกิดแรงเวี่ยงขึ้นทันที ธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นเมื่อมันนิ่งเต็มที่แล้วมันก็จะไหวดลุดลงมามันจะเบี่ยงแต่ทุกวันนี้เราไปกดมันไว้กดมันไว้เราก็ไม่ถึงนิ่งทั้ทีไม่ถึงเอกคตาลมเท่าไหร่ได้นิดหนึ่งอินทรีย์ไม่พอเดี๋ยวก็หุดอีกแต่เรามาสร้างแรงเบี่ยงเนี่ยทีนี้เราจะเป็นพุทธโธก็ดียุคหนอพองหนอหรือว่าอุบายวิธีแบบไหนก็ช่างมันรวมอยู่ในอายาตนะทั้งหมดพุทธโธนี้จะหมู่ใช่ไหม ลมหายใจคืออายตนาภายนอกนะจมูกคืออายตนาภายในอันนี้คือกลิ่นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเมื่อลมหายใจอยายจตนะภายนอกมากระทบอายตนาภายในเมื่อวิญญาณที่จมูกนี่มันไปรับรู้ปุ๊บเนี่ยขบวนการเกิดพัฒนาสมบูรณ์ก็เกิดแผบผับเกิดแรงกระทบเป็นพลังงานอย่างหนึ่งเหมือนเราเฟียงฟุตบอลในลูก ลูกเบสบอลลูกอะไรใส่ในข้างฝามันก็จะเด้งกลับออกมามันจะมีพลังกระทบอันนี้กระท บ, ะทบผัสสะเห็นไหมแล้วหัวใจพอเราเต้นปุ๊บมันจะเกิดพลังงานตามธรรมาชาติมันแรงดึงแรงดึงไงเมื่อมันมีแรงกระทบข้างนอกผัสสะแล้วก็แรงดึงของหัวใจแล้วเราก็มาใช้แรงสองแรงนี้ <c oughs> มาสร้างประโยชน์หัวใจดึงมา จะโหมดึงไปอย่างสายหลวงพ่อคงเนี่ยเขาใช้วิธีนี้เห็นไหมแต่ทีนี้ <c oughs> ถ้าเขาดําเนินแบบว่าเขาไม่รู้ <c oughs> เขาไปโดน <c oughs> ๆๆแบบเส้นตรงมันจะเกิดแรงกระชาก <c oughs> เหมือนคนเข้าทรงอย่างนี้ออกไปไหนก็ไม่ได้ทุกครั้งนั่งก็อยู่อย่างนั้นแหละอยู่อย่างนั้นแหละ <c oughs> มันก็เกิดแรงดึง นะมันจะเกิดแรงดึงแบบนี้เห็นไหมแรงเบี่ยงมันก็เกิดขึ้นแต่ถ้าเราไปเราวางไม่เป็นเราไปติดตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นมันก็เหมือนเต้นอยู่ตรงนั้นแหละเห็นไหมถ้าเขารู้ไม่รู้จักวิธีเวี่ยงทิง้งเราต้องเวี่ยงออกมาจากแรงดึงทั้งสองนั้นทิง้งหลุดออกไปเข้าไปในจิตในจิตอันนั้นก็เป็นอายตนะเห็นไหมเป็นอายตนะเหมือนกันก็คือกลิ่นก็คือลมหายใจ ทีนี้เขาเรียกว่าอาณาปณะสติอาณาปณะสตินี่บางคนพูดเลยว่าเฮ้พยพุทธเจ้าบรรลุอาณาปณะสติเท่านั้นอะไรอะไรเนี่ยมันก็พูดมากเกินไปเพราะเขาไม่เข้าใจอาณาปณะสตินี่เป็นหนึ่งในอนุสติสิบหนึ่งหนึ่งในสิบกองของอนุสติสิบอยู่ในสี่สิบกองกรรมฐานเท่านั้นเองมันเป็นอุบายวิธีอย่างหนึ่ง ซึ่งสายหลวงพ่อชาเรานี่จะใช้แนวนี้ก็ เ, เริ่มจากลมหายใจเพราะว่าสิ่งที่ไม่ต้องไปสรรหาเวลาเรานั่งเนี่ยก็ลมหายใจมันก็ทําหน้าที่อยู่แล้วเขาก็เลยเอาตรงนั้นเป็นฐานนะแต่ทีนี้เขต้องเข้าใจว่าอาณาปณะสติจริงๆเนี่ยเขาก็คือสัมมารักษมฐานเนี่ยลมหายใจเข้าออกเราจะไปตั้งชื่อว่าพุทโธยุบหนอพองหนอตั้งชื่ออะไรมันเป็นแค่อุบายวิธีไปตั้งชื่อกบอกกรรมขึ้นมาบริกรรมขึ้นมาเพื่อให้มันให้มันจับได้ง่ายเฉยๆนะเมื่อมันนิ่งดีแล้วเนี่ย ถ้าเราไม่ขับเคลื่อนต่อไปนะมันก็อยู่ตรงนั้นตลอดเวลาได้แค่ความสงบชั่วครู่มันต้องพัฒนาอาณาคืออากาศตรงนั้นกลายเป็นปลานะขึ้นมาอย่างวิธีฝึกลมปรานนี่ถ้าไปทางมหายานบางจีนนี่มีหลายแนวที่ทำให้มันเกิดลมปานแต่เป็นไท้เก๊กเป็นออวิชาอะไรหนึ่งมันก็เกิดลมปานได้นะเนี่ยเราต้องทำให้อาณากลายเป็นปา น, นะขึ้นมาเป็นปลานขึ้นมา เมื่อเกิดลมพานแล้วเนี่ยถ้าอยู่แค่นั้นเราก็ได้แค่สตินะได้แค่สติอาศัยลมพานนั้นเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญสติของเรายังอยู่ในช่วงเจริญสติพอหยุดนั่งปุ๊บมันก็ลงไปที่ใจเหมือนเก่าก็ลงไปใจเนี่ยจิตก็ไปอยู่ที่ใจถูกใจลากไปเหมือนเดิมมันจะสงบนิ่งตอนที่เราปฏิบัติพอลงใจแล้วกิเลสมันยังอยู่ ไอ้ความโลภโกรธลงมันยังอยู่มันยังโมโหได้ได้อยู่ใช่ไหมเราต้องมาเร่งสติคือสร้างอาณาปณะสติเนี่ยให้มันแรงขึ้นนะเหมือนเราสตาร์ทเฮลิคอปเตอร์ละ่ะสตาร์ทใหม่ใมแตกแตกแตกแตกแตกต ก, ก, ก, กเห็นไหมมันยังเหาะไม่ได้นะพลังแรงเบี่ยงมันสู้พลังแรงดึงดูดของโลกไม่ได้เห็นไหมมันต้องเวี่ยงแรงขึ้นเมื่อเวี่ยงแรงขึ้นแล้วที่นี้มันก็ลอยได้ล่ะ หัวใจดึงแรงดึงหัวใจดึงมันไม่ได้ละ่ะแรงดึงของความคิดดึงมันไม่ได้ละ่ะมันอิสระและ้วมันก็เข้าไปสู่โลกส่วนตัวของเขาคือจิตในจิตตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่าเราเข้าไปในกระแสละเราเข้าไปในทางมรรคละจากนี้ไปจิตเห็นจิตก็คือมรรคเมื่อเราเดำน้เนินไปเรื่อยอารมณ์โผชงก็เกิดขึ้นเรื่อยเห็นไมขัดเกลบ่อยบ่อยวิสุธทธิเจก็เกิดขึ้นเรื่อย เพราะบริสุดเกิดขึ้นเรื่อย อ, อินทรีพล ะ, ระภูมิปัญญาเดิมที่เรามีมันก็แสดงตัวมาในรูปของโพชงจนะก็ให้เข้าใจโพโอชง7มันเกิดจากอะไรทีนี้เมื่อมันเกิดโพโอชงแล้วอยู่ในจิตเนี่ยเราก็ดำเนินโพโอชงไปเรื่อยเห็น ไ, ไหมเราก็ดำเนินไปเรื่อยอินทรีพระระละเราก็ใช้อินทรีห้ามันก็เกิดพละห้าพลัง ของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ยิ่งแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆยิ่งแก่กล้ามักจะยิ่งเดินได้ดีขึ้นโพชงก็ยิ่งมากขึ้นโพที่ปรับคยธรรมส7มสิบเจ็ประการครบองค์เมื่อไหร่นิพานก็แสดงตัวนี่คือกระบวนการของมันนะมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะมันมีเหตุและผลในตัวมันเองแรงเวียงเกิดขึ้นจากอะไรเห็นไหม จากแรงดึงระหว่างข้างนอกกับข้างในแรีวหัวใจกับอายตนะกระทบผัสสะแปลงผัสสะทั้งหมดเนี่ยเจ้าลมหายใจก็ได้เอาอะไรก็ได้นะเอาอะไรก็ได้จริงๆแล้วพวกครูนี่เริ่มจากเสียงแอนะเริ่มจากเสียงแอทีแรกมันกเ็เริ่มเริ่มเบี่ยงอยู่ทีนี้ไอ้ที่มันเจ็บขานี่โอยมันเจ็บขาเลยเรามาสนใจเจ็บขาไอ้ระหว่างเจ็บขามันดึงลงมาหัวใจเต้นยิ่งเจ็บ ม, มันยิ่งดึงแรง มันยิ่งสั่นสะเรือนเนี่ยปะปะเหมือนคนเข้าทรงเลยแรงเหวี่ยงกระแทกตรง น, นั้นน่ะมันหลุดออกมาจากแรงดึงของหัวใจมันก็เข้าไปในจิตในจิตนะแล้วเขาก็ดําเนินของเขาเองเนี่ยสามชั่วโมงเพราะครูก็เรียนรู้กับจิตตรงนั้นนะเราถึงเห็นกระบวนการทํางานของมันมันมีมันมีแรงตามธรรมชาติอยู่แล้วคนเรานอนหลับนั่งเฉยเฉยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยหัวใจมันเต้นเห็นไหมมันเป็นพลังงานตามธรรมชาติ จริงๆแล้วมันเต้นมันไม่เต้นขึ้นมาลอยๆนะเนื่องจากมันมีพลังจิตนั่นแหละตัวสัญนติทําให้มันเต้นสตว่าจิตออกจากร่างไปแล้วคนนี้ตายแล้วมันเลิกเต้นเห็นไหมก็คือพลังธรรมชาติที่เรามีอยู่ไม่ต้องสแสวงหาก็คือหัวใจเต้นแล้วตาบใดที่เรายังมีอายตนะอยู่มีตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เนี่ยผัสสะมันย่อเ ม, ยมเกิดขึ้นนะมันผัสสะยุบเกิดขึ้น เหตุปัจจัยมันมาชนกันนะมันก็เกิดผัสสะขึ้นอันนี้เป็นเป็นเป็นเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอีงเหมือนกันเรามาสร้างเสียงให้เห็นไหมเพราเรานั่งปุ๊บนี่ยยังไม่เห็นนิมิตอะไรยังไม่เห็นรูปไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีผัสสะยังไม่เจ็บยังไม่ปวดเราก็สร้างเสียงให้จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะเสียงอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้ที่เป็นจบที่อายตนะ สวนจะไปตั้งชื่ออุบายวิธีอย่างไรเนี่ยก็ตั้งไปสุดท้ายก็คืออายตนะนั่นแหละนะเรื่องนี้พระพุทธองค์เองเนี่ยให้พระราหุลพิจารณาอายตนะนะกำลังเป็นหนุม่มเป็นแน่นนะนะไปบินทบาทแล้วเริ่มปิ๊งเริ่มปังและมีของสวยๆงามๆแล้วจิตไม่นิ่งละเจริญอนาณาเพราะนสติไม่ได้อานาวัตสติจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องนิ่ง เป็นเอกาคาตาลมเหมือนกันแค่ว่าต้องนิ่งถ้าไม่นิ่งแล้วมันมันมันจะเกิดลงปานไม่ได้มันจะหมุนไม่ได้ทีนี้มันนิ่งไม่ได้ไงเพราะว่ากําลังเป็นหนุ่มฮอร์โมนต่างๆกําลังเปลี่ยนตามธรรมชาติพระพุทธองค์เลยให้พิจารณาอยายตนะสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินแต่พระเราไม่ทันเห็นปุ๊บมันลงใจเกิดเวทนาแล้วไงจิตก็กระเพื่อมใจมันกระเพื่อมมันก็ดึงใหญ่เลยเนี่ยจิตนี้จเจริญยากมาก เตไม่านเรคนไม่เหมือนกันพระองค์ก็ให้พระราหุ่นเนี่ยพิจารณาอายตนะพอพิจารณาไปแล้วเมื่อมันนิ่งอยู่กับอายตนะแล้วเนี่ยมันก็เกิดแรงเหวี่ยงขึ้นก็เกิดอานาปนาสติขึ้นอานาปนาสตินี้คือเครื่องมือในการเดินทางของจิตจะฝึกแนวไหนก็ช่างก็ต้องสร้างลมปานขึ้นมาแรงลมปานตัว น, นี้เนี่ยมันส่งเข้าไปในจิตในจิตนะ ลมปานตัวนี้ก็เกิดจากพลังสัญชิตนั่นแหละตัวขับเคลื่อนจนให้เราไป็ระลึกชาติเมื่อเราไปอดีตได้นะเราก็ใช้เครื่องมือตัวนี้ไปอนาคตได้สัญชิตัวสืบเนื่องการเวลาระหว่างอดีตปัจจุบันอนาคตนี่คือขอบวนการทํางานทีนี้พอแรงดึงระหว่างข้างนอกข้างในแล้วนี่ก็เกิดแรงเบี่ยงแรงเบี่ยงนี้มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติอีก เหมือนเราหมุนลูกข่างเห็นไหมเหมือนเราเวี่ยงลูกข่างเนี่ยหมุนปุ๊บมันจะเกิดแรงเบี่ยงทีนี้แรงเบี่ยงนี้เนี่ยมันจะไปหาจุดศูนย์กลางของมันเองตามธรรมชาติมันก็จะเป็นนิ่งอยู่เห็นไหมลูกข่างมันนิ่งเราไม่ได้ทำให้มันนิ่งนะมันนิ่งเองอันนั้นคือเอกคตาลมและแรงเบี่ยงทำลายสนามแม่เหล็กจนมันไปอยู่สุดศูนย์กลางแล้วเนี่ยมันไม่ถูกแรงดึงแรงดันแรงอะไรเนี่ย มันอิสระมากมันก็ไปเสพความว่างเมื่อมันว่างแล้วเนี่ยมันไม่มีกิจที่ต้องมาถูกแรงพวกนี้ดึงมันก็วางลูกขามก็หลุดออกมาไหวนิ่งหลุดนี่คือขั้นตนการทำงานของกิจคำสอนพระองค์เนี่ยที่สอนเรามาเนี่ยถ้ามีปัญญาแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์พระองค์ไม่ได้พูดอะไรผิดไม่ได้สอนอะไรผิด แต่เนื่องจากว่าเราเข้าไปในจิตไม่เป็นเราไปเริ่มที่ปริยัตเราไปท่องจานะแล้วก็ไม่ทำจริงจจังๆไม่เอามา่ว่าเราเป็นนักวิ น, กนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเราไปเห็นสูตรแล้วเนี่ยเราไม่เคยเอาสูตรนั้นมาทดลองทดสอบไม่ใช่ชมพี่มายนะช่วงพี่มายมาพาะครูก็ได้กินอาหารแปลกๆบอกแก้วแก้วเนี่ยพี่มายเขาเข า, เขาเรียนเ็าทำได้จริงๆนะนะ จะเป็นเรื่องเทคนิคความสวยงามหรือรสชาติอะไรก็ช่างบางคนไปเรียนเจ้าโก้เนี่ยเพราะคูเคยส่งไปเรียนหลายอย่างเรียนไม่ได้อะไรเลยก็จิตเขาไม่นิ่งแต่ที่หลอ่อน้องชายเขานี่ส่งไปเรียนอะไรเนี่ยได้ร้อยี่สิบเปอร์เซ็นตจิตมันนิ่งมันไม่ได้เรียนหนังสือเลยที่หล่อเนี่ยสมัยอยู่อเมริกาเนี่ยเขามีพี่ชายคนหนึ่งนักโก้เถียดตายไปแล้วมีเถียดมีโก้มีหลอ่อพราครูสั่งมาสามคนนี้ไปเรียนโรงเรียนสารพัดช่าง ให้เลือกคนละช่างแล้วชาวแฝงอเมริกาเรียนจบ ม, มาแล้วไอ้ที่หล่อเป็นทุกช่างเลยไอ้สองคนนั้นไม่เป็นสักช่างมันช่างมันเถอนะไม่เป็นเลยเพราะว่าอะไรแล้วก็สองคนนั้นได้เรียนหนังสือมากกว่าที่หล่ออยู่ทหล่อเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือเลยแต่เขาเป็นคนที่มีสมาธินิ่งมากเขาทําอะไรเขาจะวิเคราะห์แล้วก็จะนิ่งเขาจะพิจารณาแล้วก็มันเกิดปัญญาไง ศูนนี้ทั้งศูนย์เนี่สาลานี้ทั้งศาลาเนี่ยเขาเป็นคนเชื่อมหมดไฟฟ้าเขาต่อหมดเครื่องยนต์เขาซ่อมหมดมเห็นไหมเขาไม่ได้เรียนหนังสือไอ้เจ้าคูกโก้เนี่ยเรียนอะไรก็ไม่ได้เพราะจิตมันไม่นิ่งมันถูกอารมณ์ อ, อที่ไอ้ความโลภโกรธหลงตรงนั้นมันดึงไว้อี น, นี้พ่อครูกระชีให้ดูนะ ปัญญาไม่ได้เกิดจากการรู้มากปัญญาเกิดจากการรู้แจ้งเห็นจริงของจิตนะก็เราต้องรู้นะเพราะว่าถามเรื่องพอดชมก็อธิบายให้เขาใจพอดชงเนี่ยไนยะคืออะไรอารมณ์พชงเป็นอย่างไรเกิดมาจากอะไรไม่ใช่ไปยึดยึดยึดยึดพอดะต้องมีสติสำหรัพดชงนะมันจะามาจากไหนมันจะามาจากไหน เธอต้องมีปัสสัตที่สมโพชงแนะเธอต้องสงบนะเธอต้องอุเบกขาหนะ้าไม่จะไปยืดอ่ะนะทุกวันนี้เนี่ยไปอ่านแล้วก็ไปยึดนะนะแล้วบอกว่ า, าวิชานี่คือความไม่รู้ว่าอันยศศี 4, ไม่รู้ปฏิสมุทบานไม่รู้กฎแห่งกรรมก็จบป ร, ริญญาเก้ามาแล้วรู้หมดแล้วแล้วทำไมไม่พ้นทุกข์ล่ะรู้หมดเลยก็เขียนได้ไงไม่ใช่อย่างนั้นต้องเข้าถึงอริยสัจสี่ ต้องเข้าถึงปฏิสมุทบาทไม่ใช่ในภาษาเขียนเนี่ยถ้าเราไม่ระวังเนี่ยจะทําให้เราค่อยเควอ่ะคือไม่รู้ปฏิสมุทบาทไม่รู้เนี่ยเอาก็รู้ละไงจนสอบจ น, จนจบเป็นป ร, ริญญาเก้าเป็นด็อกเตอร์ทงางศาสนาแล้วเนี่ยทําไมไม่พ้นทุกข์จริงๆแล้ววิชาชอช้างสองตัวคือต้องเป็นไม่ใช่แปลว่าความรู้เป็นแปลว่าความรู้ที่ถูกต้องรู้แล้วพ้นทุกข์ได้รู้แล้วปฏิบัติได้วางได้เลย รู้อะไรไม่ใช่ว่ารู้อะไรสัตว ส, สอย่างที่เราเข้าใจนะเข้าถึงอริยสัตวสี่เข้าถึงปฏิสมุนบาทเข้าถึงกฎแห่งกรรมจริงๆเราไปเสพกรรมมาแล้วเรารู้เลยว่ามันมีจริงเห็นไหมไม่ใช่รู้รู้รู้ในภาษาไปดูเอาก็รู้แล้วไงจงสอบได้ที่หนึ่งเราได้เกียรตินิยมได้จะเป็นด็อกเตอร์ด้วยทําไมไม่พ้นทุกข์ <Yeah. S 1> เนี่ยภาษามันเป็นบวกภาษาเป็นบวก นะทุกวันนี้เราไปหลงความรู้ซึ่งแฝงมาในรูปของภาษามันมีประโยชน์มากแต่ก็มีโทษมหาศาลมีประโยชน์มากแต่มีโทษมหาศาลนะก็เรื่องนี้ยิ่งพวกครูว่าเราต้องไปทําหน้าที่กับผู้รู้แล้วเนี่ยก็ต้องรู้จริงๆว่าเขารู้อะไรนะเขารู้อะไร และการที่จะไปต่อยอดนี้ถ้าไม่ปล่อยวางทิฏฐิมานะแล้วเนี่ยมันจะถูกความรู้นั้นกั้นบงังเขาไปหลงรู้ไม่ใช่เขาอยากหลงนะแต่มันเคยชินมาแล้วไงมันฝึกมามันอัดแล้วมันคิดตามความรู้นั้นตลอดเวลาเนี่ยบางครั้งต้องให้แจกปากกาแล้วก็สมุดคนละเล่มให้ไปเขียนว่ารู้อะไรบ้างที่เป็นของตัวเองนะ บางทีเขียนมาไม่รู้อะไรเลยนะไม่รู้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ทั้งด็อกเตอร์นั่นแหละสิ่งที่ว่าเขารู้นั้นมันมีแต่ดาต้าเป็นข้อมูลทางวิชาการที่เขาไปจํามาทั้งนั้นเลยไม่มีแม้แต่หนึ่งความรู้ซึ่งเกิดขึ้นจากเขาเองเลยนะถ้าเป็นความรู้ซึ่งเกิดข้าโลกจริงๆมันเป็นปัญญาแล้วเนี่ยเราจะไม่หลงตัวรู้เราจะไม่หลงแต่ทุกวันนี้ที่เราหลงเพราะว่า มันไม่ใช่ความรู้จริงมันเป็นแค่ความจำนะก็มันก็ผ่านมาแล้วชีวิตเราก็ถูกอัดความรู้ไปอย่างนั้นแล้วแต่เมื่อมาเดินสายธรรมแล้วเนี่ยออรู้แล้วก็รู้ไปแต่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับความรู้นั้นอย่าไปหลงมันอย่าไปหลงมันนะนะก็ มันถึงเวลาไงพรอครูถึงว่าธรรมะจัดสรรให้พรอครูต้องไปดูตัวหนังสือพอไปเห็นอาณาปณสติสูตรเน่ะเฮ้ย hey! มันชัดเจนเหลือเกินแล้วทําไมไปสอนเป็นทีละทําไมไม่ไม่ทําให้มันบริบูรณ์ล่ะคณะนี้ก็ไปสอนกายคตาสติใช่ไหมคณะนี้ก็ไปเพ่งเวทนาคณะนี้ไปเพ่งอริยบทอะไรก็แล้วแต่ทําไมไม่ทําให้มันบริบูรณ์ ให้สติประฐาน4ี่บริบูรณ์เห็นไม้มไม่เป็นไรลูกเป็นไรปล่อยเขาปล่อยเขาเราต้องตอบตัวเองได้ก่อนก่อนที่เราจะไปชี้แนะคนอื่นชี้ทางคนอื่นนะนี่แหละพ่อครูถึงถึงเตือนว่าถ้ายังไม่เห็นธรรมสมัยพุทธกาลนี่ไม่เห็นธรรมเขาไม่กล้าออกไปเผยแร่หรอกไม่มีทาง ขนาดดวงตาเห็นธรรมเข้าสู่กระแสะแล้วเป็นโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลแล้วเนี่ยยังยังเลยนะต้องเห็นธรรมก่อนระดับนี้แหละพราะพุทธเจ้าถึงบวชให้หลังจากบวชแล้วต้องดําเนินจนจนเห็นธรรมอย่างค่อนข้างชัดเจนค่อยออกไปเผยแพร่มันถึงไม่เลื่อนเลือนไงทุกวันนี้แค่อ่านหนังสือไม่กี่เล่มแล้วก็จําได้ก็ไปเผยแพร่ธรรมแล้วมันถึงธรรมะมันถึงเลื่อนเรือนหมดไม่เห็นธรรมเผยแพร่ธรรมไม่ได้ นะแต่เราไปสอนวิชาทางพุทธศาสนาได้อย่าไปแปรมันศินห้ามีกี่ข้อก็ท่องไปปฏิสบุตรบาทมีกี่ขั้นตอนก็ท่องไปอย่าไปแปรนะไปสอนวิชาการทำพุทธศาสนาได้แต่ไปเผยแพร่ทำมาไม่ได้ผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นเราตถาคตนะก็ช่วงอาทิตย์นี้พ่อครูก็คิดว่าเออเห็นแม่ชีบุตร ถ้าคนยังไม่เข้าถึงตรงนั้นน่ะเขาจะไม่สนใจพวอชงเจตไม่รู้เรื่องด้วยแต่เริ่มถามก็รู้แล้วว่าเออมันเป็นยังไงก็บอกว่าเนี่ยตัวหนังสือก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ทีนี้เรต้องเข้าใจไวยาคมันคือบังเอิญพวอครูบอกว่าพวอครูเริ่มจากปฏิบัติก่อนเจ้าชายสิทธัตถะเริ่มจากปฏิบัติก่อนในยุคนั้นพระ อ, องค์ไม่มีพระไตรปิฎกไม่มีปริยัติพระ อ, องค์จึงไม่ติดบ่วงไง พระองค์ไม่มีไม่ติดบ่วงความรู้พระองค์ก็ลงไปปฏิบัติจริงไปฝึกกับวิทย์ไปฝึกไปทดลองทดสอบโยคะอะไรไปศึกษามาหมดอ่ะไปทําจริงๆเลยทําแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่พระองค์ก็ทําไปด้วยก็เกิดปัญญาไปด้วยพระองค์ก็เลยไปไปตัดสู้ทางสายกลางนะไปตัดสู้อริยสัจสี่ด้วยตัวพระองค์เองนี่เป็นความรู้ซึ่งเกิดขึ้นจากพระองค์เอง เพราะครูไม่ใช่ก๊อปปี้นะเพราะครูไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกเลยเพราะครูก็เริ่มจากปฏิบัติก่อนเพราะมันทุกข์นก็หลังจากเข้าถึงแล้วอ๋อพอมาดูคำสอนพุทธเจ้าเราไม่สงสัยเลยเพราะคงไม่ได้พูดอะไรผิดเลยแต่ครูบาอาจารย์ยุคนี้เนี่ยไปเข้าใจภาษาผิดแล้วก็มาชี้ทางผิดถ้าทุกคนเดินถูกต้องเนี่ย ศาสนาไม่เป็นอย่างนี้โลกมันจะเปลี่ยนยังไงกระช่า ง, รงแรงดึงดูดของโลกมันสู้แรงพลังจิตเราไม่ได้หรอกพลังปัญญาแต่ทุกวันนี้เราไปเสียเวลาไปเรียนรู้ไอความรู้มันไม่ใช่ปัญญาไงมันไม่มีพลังมีนะมีมีมี ม, ม, มีมีคนหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็มีชื่อเสียงมากแล้วก็จบปริญญเก้าเคยบวชมา ตอนนี้ก็สื่อออกมานะเพราะผู้ชื่อทุกคนก็รู้เลยนะจะไปเอ่ยชื่อท่านก็มีพระภิกษุท่านเดินทางมาที่นี่ท่านก็บอกประเรียนเก้าเหมือนกันนะบอกตอนนี้คนนั้นอนะ่ะเขียนหนังสืออะไรอะไรเป็นระดับชาติแต่ว่าชีวิตส่วนตัวเละเทะกินเหล้าอะไรอะไรพวกนี้นะเห็นไหมนั่นเขารู้ไงเขารู้ไ ง, เ ข, ไงเขารู้วิชาการจนจบสูงสุดเลยแต่ว่าทําให้พ้นทุกข์ไม่ได้ ทำไม่ได้ยังไม่เป็นไรยังมาสร้างกรรมใหม่อีกและศาสนามันจะไปเหลืออะไรถ้าทุกคนเข้าถึงก่อนแล้วค่อยมาอ่านหนังสือทีหลังเนี่ยรับรองว่าโลกมันจะเปลี่ยนยังไงก็ช่างเนี่ยมันเปลี่ยนเราไม่ได้หรอกกิเลสมันหลอกเราไม่ได้หรอกเห็นไหมพระพุทธองค์เนี่ยหรือเจ้าชายจิตตฐาเนี่ยเริ่มจากปฏิบัติก่อนลองถูกลองผิดอยู่หกพันสามเมื่อตรัสรู้ธรรมเข้าสู่ปฏิเวศก็เอาสิ่งที่พระ อ, องค์รู้พระ อ, องค์เห็นเนี่มาบอกกล่าว ก็เลยกลายเป็นภาษาพอจดภาษาลงมาเนี่ยคนที่จดจดนี่เกือบไปไม่ทันเหมือนกันนะพระอานนท์ขบวนเป็นคนสุดท้ายเพรามัวจะจดอยู่นั่นแหละคนอื่นเขาปฏิบัติปฏิบัติเขาเบี่ยงทิ้งเหี่ยงทิ้งเขาก็ไปปุ๊บปุ๊งุ๊งปพระอานนท์ต้อมัวแต่มาจดมาจดแต่ถ้าไม่มีพระอานนท์เนี่ยทุกวันนี้เราก็ไม่มีหลายแทงเราก็ไม่มีแผนที่พระองค์ก็ทําหน้าที่ของพระองค์นะพระนี้เสียสละมาก แต่มันพิสูจน์อะไรคนใกล้ชิดรู้มากที่สุดเลยเพราะพระพุทธองค์ไปไหนนี่จดทุกคำพูดไงเดินทางไปไหนก็จดจดจดจดจดจ ด, จ ด, จดนะจนพระ อ, อ น, นุนเนี่ยแสดงธรรมได้นะสอนคนอื่นมันรู้อราหันต์ได้แต่ตัวเองยังไม่ไปไปไม่เป็นเนี่ยเพราะเอาเวลาไปจดไงเกือบเกือบไปไม่ทันนะแต่ทีนี้พระไตรบิดกไม่ใช่ไม่ดีนะก็มีประโยชน์เราก็รักษาไว้เหมือนเรามีแผนที่ ดูแต่แผนที่โอ้จากกรุงเทพไปพหลานคอยบินเครื่องบินไปก็ได้ไปทางรถยนต์ก็ได้มีกี่สายอะไรๆเนี่ ย, ยรู้หมดเลยจะไม่เดินทางมาสักทีมันจะรู้ว่าพหลานคอยเป็นยังไงใช่ไม้มต้องปฏิบัติก่อนปฏิบัตินะดูดูแผนที่ดูลายแทงแค่สังเกตแล้วก็เดินนะมันเป็นแนวทางที่พ่อครัวเราไม่ได้ขี้โกงนะไม่ใช่ทางลัด มันเป็นทางตรงๆเข้าไปในจิตเลยเนี่ยผู้เจ้าก็ชี้ทางกายเวทนาจิต ร, รมสติปฐานสี่แล้วอานาปณะสติสูตรพระองค์ก็บอกแล้วนะต้องเจริญจนสติปฐานสี่เนี่ยบริบูรณ์อันนี้ไปแยกส่วนฉันเอาเรื่องกายฉันชูธงกายข้าตาสตินะกค็ครูไปคุยกับดรอกเตอร์ไมช่ชีคนหนึ่งอยู่ที่ปักทงใจนะโอ้แรงมาก กายคตาสติเท่านั้นบอกถ้าเท่านั้นพรุทธเจ้าก็พูดเรื่องเดียวไปสอนทำไมเยอะแยะให้มันวุ่นวายเนี่ยนะเต้นผางเลยเต้นผางคือจี้เบาๆ เ, เองเนี่ยนะเต้นผางเลยแล้วบอกว่าเป็นบรรลุอรหันต์มิตมันรูุคิดตัวเองเป็นมิปัจสนึกไม่ใช่มิปัสจนานะอย่าไปนึกเอานะมันกําลังจะนึกปุ๊บเบี่ยงทิ้งกำลังคิดปุ๊บเบี่ยงทิ้งอย่าไปเชื่อมันความคิดเราเนี่ยมันคิดตามกิเลส นี่แหละดำเนินไปทางโลกเขาไม่เชื่อหรอกอะไรอะไรก็ไม่เอาความรู้ก็ยังไม่เอาเลยเวี่ยงทิ้งอย่างเดียวแล้วมันจะไปเกิดปัญญาได้อย่างไรเขาเขาจะติดกับดักปัญญาคือต้องรู้มากๆต้องพ้นความวิจัยอ่านเยอะๆนั่นแหละเขาไปเข้าใจอย่างนั้นนี่แหละเขาถูกกับดักจากความรู้ผิดของเขามันเป็นความรู้ผิดนี่แหละคือตัววิชานะก็ ใช้เวลาพอสมควรนะวันนี้ก็เลยไปหกเจ็ดนาที mm hmm. ก็เอาแค่นี้ก็พอนะ mm hmm. ก็พวกครูก็ออกไปทําหน้าที่นะ mm hmm. พวกเราอยู่ที่นี่ก็ดูแลเหมือนเราดูแลบ้านนั่นแหละตัวนี้เป็นเป็นฐานในการเจริญสติของพวกเรานะก็ดําเนินไปเรื่อยๆส่วนออกไปในต่อไปเรามีโอกาสเราก็ออกไปคือว่าถ้าออกไปให้ช่วยกันไปให้ไม่ใช่ไปออกมิได่จ้องว่าไ ป, ไปเปิดหูเปิดตาอะไรไปให้รางวัลชีวิตนั่นอันนั้นก็บเบาๆหน่อยหนึ่ง นะไ อ, ไอ้ถ้าให้รางวัลชีวิตต้องเบี่ยงเยอะๆถ้าอันนี้ไปให้ไปให้รางวัลกิเลสเนี่ยต้องเบาๆหน่อยหนึ่งเออนานๆครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าอย่านานๆทีนะทีๆบ่อยๆไม่ค่อยดีนะไปแล้วก็ไปรับของเปื้อนเข้ามามานั่งเบี่ยงออกอีกมันเสียเวลานะแต่ถ้าออกไปเนี่ยต้องได้อา น, นิสงค์คือได้ให้ไปให้เขา แล้วก็อย่าไปคาดหวังอะไรจากเขาคือไปให้ไปทำหน้าที่เราทำมัคคือหน้าที่นะหน้าที่คือทำมัเอาละนะสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมก็พ่อครูขออารตนาคุณประสีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในสากลโลกแล้วก็ในสถานที่แห่งนี้พร้อมทั้งบุญบารมีที่พวกเราได้ร่วมกันบาเพ็ญเพียรมาให้คุ้มครองทุกคนเนี่ยให้มีความอยู่เย็นเป็นสุข สุขภาพร่างกายจิตใจเป็นปกตินะแล้วให้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวเทิน